วางนใใหนีใบใหม่โรนหลายมันคนลัิ่มเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูฮอนใบใหม่ก็โรนใบใหม่ยิ่งโรนหลายปวดตาดปวดนั่นวัดจะเมื่อยกวดศแล้วแห้งมูหน่อยแห้งเลยอ แล้ว่าการปวดตาดไปนี่เนยปวดไปนี่กำหนดใจไปนั่มเนี่ยซ้อมมงนี่หละให้ใจอยู่กับเจ้าของถอยู่กับร่วมหันใจน่หันใจไปนั่มม้เหรอปหันใจสนั่มซอมไปนั่มปวดไปนั่มนี่สิกับพ่ออยู่นี่เนี่ยมุตสิเป็นต้องมวลมวนี่ยังสิละ เป็นข้าวปวดไปน้่มซ่อมไปน้่ซมซ่อมใจเจ็บของไปน้่มอ่าบางทีเรียกว่ามันเป็นการเป็นการซืสัสติสัมปชัญญะอย่างหนึ่งก่วแล้วมาดีกวดไปปวดมากนะหน่ง้ซ่อมมึงแนวว่าใบไม้ชุ่มมือ น, นั้นหนะึ่งที่มันลน่นลงมากนะ่แต่กลิ่นนอยู่เท่ากัุกุหลาบ ใบใหม่อยู่ทั้งบานเยล้วนลงมาให้เห้าขวดบันเนียนถึงไปเบ่งดู้งอะไรนี่อีกเต็มอาญายุ่งทั้งต้นทึ่งใบเขียวซึ้งใบไข่เสืองแล้วก็นี้นั่นเต็มทั้งต้นเหมนแมนมัดด้อยเนี่ยนะแมนเข้าเสียดขวดมัดใบใหม่ขุ้มนั่นไอ้ข้อเนี้ยใบใหม่มันกะ บอกว่าใบหน่อยใบไงเดินไปสักทีใบใบหน่อยสักทเป็นใบไงใบไงเป็นใบแถใบแถวใเลี้งใบโต๊ะไม่เข้าขวดให้สรุปร่องโรดนอว่าใบไม่สู้ใบโนลงมาให้เขาเดกขวดมดมดสูใบนะ